พึงบารมีความเป็นมนุษย์ของตัวเองสวดมนต์ให้หายทุกข์ทางใจเพื่อแผ่สุขให้มนุษย์และเทวดามิเลือกหน้าเทวดาอนุโมทนาบุญกับมนุษย์มีจริงเพราะในสภาพอันเป็นทิพย์พวกท่านมีทุกสิ่งอยากได้อะไรไม่ต้องใช้กําลังใจขณะที่มนุษย์นั้นจะทําอะไรดีๆแต่ละทีต้องใช้กําลังกายกําลังใจ สวนกระแสกิเลสพุทธเราสอนให้เป็นที่พึ่งของตัวเองไม่ใช่ให้สวดแบบอ้อนวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาช่วยเหลือกําลังกายกําลังใจพึ่งตัวเองนั่นแหละคือพลังบุญพลังบารมีความเป็นมนุษย์ยิ่งพลังบุญมากเทวดายิ่งอนุโมทนามากและยิ่งบุญนั้นเป็นไ ป, นปนในทางพ้นทุก์พ้นอุปาทาน พลังบุญนั้นยิ่งสว่างยิ่งจับใจเทพพ ย, ยดาผู้เป็นสัมมาทิฐิเรียกเทพพ ย, ยดาผู้เป็นสัมมาทิฐิมาอนุโมทนาได้มหาศาลและเมื่อพวกท่านมาอนุโมทนาบ่อยก็ย่อมเกิดความผูกพันอยากช่วยเหลืออยากอำนวยสุขให้เองโดยไม่ต้องร้องขอสมัยพระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนแม้เมื่อเราภิกษุ ป, ปฏิบัติธรรมอยู่ในป่า เจอผีเจอสางดุดูกกันทั่วนหน้าพระพุทธเจ้าก็ทรงให้สาธยายมนในแบบที่ไม่ใช่ไปรบกับผีไม่ใช่ไปปราบผีไม่ใช่ไปวดฤทธ์วดศักดา ว, ว่าข้าเป็นสาวกพระพุทธเจ้าแต่เป็นการสาธยายในแบบให้ทบทวนตนเองว่ามีคุณสมบัติดีๆที่ทำให้ผีรักอยู่บ้างหรือยังซึ่งก็ล้วนเป็นไปในทางอ่อนน้อมถ่อมตน รู้หน้าที่ของผู้มีแต่ให้ทั้งสิน้มนมที่พระพุทธเจ้าประธานแก่ภิกษุดังกล่าวปัจจุบันเรารู้จักกันในชื่อกรณียเมตสูตรมาเหตุผู้อ่านซึ่งสวดแล้วก็ต้องแปลออกด้วยนะครับถึงจะตรงกับวัตถุประสงค์ที่ทรงประธานมาให้สวดสวดแบบพุทธจึงเป็นการสวดแบบให้ ไม่ใช่สวนแบบขอจรุปคือหากใจเป็นทุกข์สวมดมนต์ให้หายทุกข์ทางใจเลยพึ่งบารมีความเป็นมนุษย์ของตัวเองเลยอย่ารอผลทางกายที่จะมีผู้อื่นบรรดาลให้ก่อนถ้ายิ่งระหว่างสวมดมนต์แล้วเกิดสติระลึกรู้ความไม่เที่ยงในกายใจได้แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลถวายเทพ ย, ายดาได้ก็จะยิ่งซึงใจว่า พุทธเราสอนให้เป็นที่พึ่งของตัวเองอย่างไรพบภมูมนุษย์เป็นภาวะแข็งแรงกว่าพบภูมิอื่นๆได้ท่าไหนต่อไปสํารวจใจตัวเองได้ตั้งแต่เข้าห้องพระสวดมนต์เลยตั้งใจสวดแบบขอหรือเจตนาสวดแบบให้สวดแล้วเป็นเหตุให้อ่อนแอชอบกล้ามกรวดหรือเป็นเหตุให้เข้มแข็งชอบเผื่อแผ่สุขให้มนุษย์และเทวดาไม่เลือกหน้า